ส่วนรพินไพรวันมอดูหญิงสาวทั้งสองในความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเขาคิดอยู่ภายในเงียบๆขึ้นชื่อว่าผู้หญิงไม่มีวันใชละที่จะยอมลดลาวาสอกให้แก่กันต่อให้ดูว่าจะสนิทสนมรักใคร่กันสักเพียงใดก็ตามผู้หญิงยอมไม่ต้องการให้ผู้หญิงอีกคนนึงมันเหนือกว่าตนยอมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประกวดประขันและเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเสมอทัดเทียม ไม่มีวันยอมน้อยหน้าไปกว่ากันเขาอ่านออกว่าดารินยิงกระรอกตัวนั้นด้วยความประณีตบรรจงและตั้งใจที่สุดเพื่อพิสูจน์ให้มารีห็นว่าตนไม่ได้ด้อยไปกว่าและในครั้งแรกที่เจ้าส่างปลาเล่นตลกเดินออกมามือเปล่า ท, ทําทีเป็นว่าหลอนยิงผิดไม่ได้ตัวก็สังเกตเห็นดารินหน้าซีดด้วยความผิดหวังไม่ใช่น้อยทีเดียวสําหรับมาเรียนั้นไม่ได้ตั้งใจจะอวดฝีมืออย่างใดทั้งสิน้น แม่สาวเพียงแต่ต้องการลองทางปืนของหล่อนโดยปกติธรรมดาเท่านั้นและในที่สุดก็กลายเป็นประชันฝีมือกันขึ้นไกลๆอันเนื่องมาจากที่ชัยันกระซ้าเย้าแย่มาก็ต้องนับประโชคดีไปอย่างที่หมอมราชวงศ์หญิงดารินรักษาเหลี่ยมของหล่อนไว้ได้ไม่งั้นหล่อนอาจหดหดและพาโลและเชษฐาก็สั่งให้แง่า ย, ายทดลองปืน460 Weatherby Magnum ของดรฮอฟมัน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 ร่างอันสูงใหญ่ของเจ้าคนใช้ชาวโดงสะท้านยั่วไปทั้งกายแต่ไม่ถึงกระสียหลักต้นตะเคียนฉีกเบือขาวเวอร์มองเห็นได้อย่างั น, นัดแม้จะอยู่ห่างไกลออกไปอีกถึงร้อยกว่าเมตรชั ย, ยันส่งกล้องสำรวจผลการยิงก็รองบอกมาว่าสูงจากที่หมายไปประมาณหกนิ้วแต่ระดับในเส้นดิ่งตรงเพียงละระพินขมวดคิ้วอย่างฉงน ขอล้องจัดช ย, ยันไปส่องตรวจ ด, ดูแล้วก็หันไปจ้องไรเฟิลกระบอกนั้นอย่างคลางแคลงหัวหน้าคณะก็ออกคำสั่งมาอี ก, น, อกนัดสิเง่ส า, ายเงยส า, ายกระชากปลอกเก่ากระเด็นออกมากลิ้งอยู่กับพื้นส่งควันกลุ่นและบรรจุนัดใหม่เข้ารางพลิงเล็งอีกครั้งพร้อมกับแตะไกกระสุนอานุภาพสูงออกไปทุกคนที่ยืนดูอยู่เบื้องหลัง รู้สึกวูบด้วยแรงอัดของอากาศในขณะที่กระสุนระเบิดผ่านลำกล้องออกไปฝุนละใบไม้เบื่องหน้าในระยะห้าหเมตรปลิวกระจายว่อนราวกะถูกพัดลุมขนาดใหญ่เป่าซ้ำที่เดิมดารินขานเป้ามาด้วยความแปลกใจหล่อนก็ใช้กล้องสองสำรวจอยู่เช่นกันกระสุนนัดที่สองของแหน่ายรวมกลุ่มเบียดชิดอยู่กันนัดแรกห่างกันแค่สองนิ้วเท่านั้น เจ้ากระเรียงพเนจรทำหน้างงกับริบตาปริบๆมองไปในมือของตนเองแล้วสั่นหัวก็เลงยังไงเงยส่พิษทั้งสองนัดแต่ก็สุนดันไปรวมกลุ่มกันอย่างดีทีเดียวเช็ดถาร้องถามเบาๆเงยสายยิงฟันขาวเงยสายไม่เคยยิงปืนศูนย์กล้องมาก่อนครับนายแต่ก็เลงเอาที่หมายตรงกับกากบาทในศูนย์ ทำไมมันถึงกินสูงไปก็ไม่รู้เหมือนกันนายทหารเอ๊สงสัยว่าศูนย์จะคลาดเคลื่อนใสแล้วสิหัวหน้าคณะหันมาบอกต่ำตำกับพรานใหญ่ผู้ยืนอยู่ใกลก้ใกล้ไม่จะว่าแงยสายยิงผิดเองก็ใช่ที่นะเพราะกระสุนเข้ารวมกลุ่มกันดีอยู่ไหนคุณลองดูสิละพินจะได้หมดสงสัยจอมพรานเม้มริมฝีปากเล็กน้อยเดินเข้าไปรับปืนจากแงยสาย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 ใจใหญ่ก็ส่งคืนแม่เงาทรายอีกครั้งในยิงอีกนัดสิแงาทรายไม่ต้องเผื่อไปเล็งตรงตามกากบาทเลยนะแงาทรายรับมายิงเป็นนัดที่สามทันทีที่กระสุนลั่นออกไปทุกคนก็คลางออกมาด้วยความพอใจเพราะปรากฏว่ามันลงตำแหน่งปุ่มตาไม้กลางต้นตะเขียนนั้นราวกระจับวางฉีกรกระจายออกไปในพริบตาเชือดถายิ้มออกมาได้ จับแขนระพินบีบโดยแรงแล้วตรงเข้ามาตบไหล่คนใช้ชาวดงเอาละใช้การได้แล้วแง่ท า, ายมาเรียจ้องมองดูแง่ท า, ายอย่างทึ่งๆพลางหันไปพูกระดารินองครักษ์ประจำตัวของเธอยิงไรเฟิลกระบอกนั้นได้วิเศษสุดเลยน้อยฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าเจ้าเฮอร์คิวลิสนั้นจะยิงปืนได้แม่นยำถึงเพียงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดี่หกศของสามีชัน้นกระบอกนี้นักมานุษยวิทยาสาวยิ้มอย่างภาคภูมิใจมองจับไปทางคนใช้ชาวดงของหล่อนด้วยประกายตาอันปรักเป็นประกายชื่นชมคนของฉั้นที่มาด้วยกันนี้ล้วนมีสมรรถภาพเยี่ยมทั้งนั้นนะเมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแงซายคนนั้นถ้าเธอร่วมทางกับเราต่อไปเธอจะเห็นว่าเขามีอะไรดีๆอยู่ในตัวอย่างหน้าพิศวงทีเดียวเป็นคนสงบส ง, บสงเอม ทำตนแต่ก็ซ่อนคมไวอย่างคิดไม่ถึงฉันภูมิใจในองครักษ์ประจำตัวของฉันคนนี้มากเชละชัยยันเดินตรงเข้ามาที่มาเรียโค้งหัวช้าๆบอกว่าเม mm. คุณเองก็เป็นนักยิงปืนตัวชักาศนะทำไมถึงปล่อยสามีของคุณถือปืนกระบอกที่ศูนย์เลขเก้ถึงเพียงนี้ระยะเพียงสิบระยะเพียงรอยเมตรกินสูงขึ้นไปตั้งหกนิ้วฟุตนะ่ะ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 พลานใหญ่บอกในเนยยิ้มให้หล่อนนิดนึงก็ลองเดาสุ่มไปงั้นเองบังเอิญมันตรงจุดก็พอดีไอเรื่องสำคัญมันอยู่ที่ว่าคนยิงเ่มือเที่ยงพอที่จะอาศัยเป็นบรรทัดฐานได้การปรับศูนย์ก็สะดวกขึ้นถ้ายิงเ ป, ปะปากกระสุนไม่รวมกลุ่มให้ใช้เป็นแนวคำนวณได้กว่าจะตั้งได้ดีไม่ดีลูกปืนหมดแล้วเขาก็หันไปทางแงาา ย, ายถามว่าเป็นไงบ้างหนักหน่วงมากไหม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 ก่อนเที่ยงเล็กน้อยมาเรียก็ฟ้าไรเฟริลชวนดารินลงไปที่ลำธารโดยมีสัางปลาและแง่ทรา ย, ายตามติดเป็นองครักษ์ลงไปด้วยโดยคําสั่งของเชษฐาถ้าเธอเชื่อฉันเชื่อหมอเธอไม่ควรจะลงไปแช่น้ำเย็นๆในระหว่างนี้ก่อนนะหมอดารินบอกเมื่อเห็นเพื่อนสาวชาวต่างชาติวางไรเฟริลลงบนโ ข, ขดหินที่งอกเป็นแท่นอยู่ริมน้าสุดตัวลงนั่งถอดท็อป ขณะนั้นแงส า, ายกระสางปลาแยกกันนั่งเฝ้าอยู่คนละด้านลับตาออกไปในหมู่โขดหินสสารยังเธอน้อยมันร้อนเหลือเกินเนื้อหนะตัวมาหลายวันแล้วแล้วฉันก็ต้องการจะเปลี่ยนแพดด้วยรับรองว่าจะไม่ลงไปแช่นานนักหรอกมาเรียบอกอ่อยอ่อยสีหน้าอึดอัดใจปลดกระดุมเสื้อออกราชาสกุลสาวพยักหน้าแล้วหันหลังให้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 ไรสาระนาะน้อยไม่เธอเคยแคร์มากนักเหรอแน่นอนสิฉันแคร์มากแล้วก็อยากจะแคร์ให้กับเธอด้วยเพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นผู้หญิงและเขาอีกหลายๆลายคนนะเป็นผู้ชายภูมิประเทศมันก็เป็นป่าดงพงไพรเราลักกรเพกอุตริกเองที่ร่วมทางมากับเขาเหล่านี้หน้าที่ของเราก็คือต้องช่วยตัวเราเองเท่าเท่ากับที่ต้องช่วยเขาด้วย ก็แล้วครั้งก่อนๆ น, นี้ก่อนที่เธอจะมาพบฉันน่ะเวลาเธออาบน้ําเธอทําไงดารินอึ้งไปครู่แล้วก็อัมพร่างมาว่าทุกครั้งนะพี่ชายของฉันเป็นคนเฝ้าแล้วก็รู้สึกหน้าร้อนเผาเมื่อแต่หนักแน่ว่าเจตนาโกหกพี่ชายของหล่อนมีเวลามาเป็นเพื่อนเฝ้าตอนหล่อนอาบน้ําทุกครั้งไปเมื่อไหร่หลายครั้งที่รพินต้องรับภาระอันนี้และมันก็หลายครั้ง ที่เกิดเหตุอันน่าขวยใจขึ้นหรือที่ทั้งเขาและหล่อนก็ไม่ได้เจตนาแม่พี่ชายของเธอนะเป็นคนดีเหลือเกินนะเห็นเขาแล้วทำให้ฉันนึกถึงพ่อล่ะเขาก็เป็นทั้งพี่แล้วก็พ่อของฉันเหมือนกันฉันอยากมีพี่ชายอย่างเขาสักคนนะน้อยเดี๋ยวนี้เธอก็ไม่ใช่ใครอื่นนี่เมย์เขาคิดว่าเธอเป็นน้องสาวของเขาคนหนึ่งอยู่แล้วเป็นความจริงเหรอน้อย เสียงหลอนร้องถามมาอย่างตื่นเต้นยินดีจริงจิเขาก็บอกฉันเองอ่ะโอ้ดีอะไรอย่างนี้ขอพระคุณพระเวรเจ้าถ้าเขาจะถือว่าฉันเป็นน้องของเขาด้วยคนหนึ่งอย่างเธอบอกนิ่งไปครู่มาเรียก็ถามมาเบาๆจากเบื้องหลังอีกว่าผมเธอสั้นดีเหลือเกินเตรียมตักมาตั้งแต่ก่อนออกเดินทางเลยเหรอเปล่า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 เหมือนจะซ้อมเรียกซ้ำๆอยู่เช่นนั้นมาเรียอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยดารินจึงลงอาบบ้างแต่แทนที่จะนั่งเป็นยามเฝ้าให้กลับนั่งหันหน้าโมราชสกุลสาวขณะที่ลงแช่ขัดสีเวิวันอยู่ในลำห้วยอันใสาปานกระจก้าสีเขียวเป็นประกายใสยแม้เธอน่ซ่อนรูปเหลือเกินน้อยนี่หันหน้าไปทางอื่นจิเม αι?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 แล้วหล่อนก็เบี่ยงหลบเข้าไปบังอยู่หลังก้อนหินให้รับตาจากมาเรียใช่แต่แล้วก็กระอักกระอ่วนลำบากใจอีกครั้งตอนจะขึ้นมาเช็ดตัวและสวมเสื้อผ้าทว่าก็ตัดสินใจทำทุกอย่างให้เป็นปกติธรรมดาที่สุดบอกกับตนเองว่าหล่อนขืนทำกระดาษกระเดื่องปิดบังเท่าใดก็ยิ่งเหมือนกระยุ่ยุให้เพื่อนสาวต่างชาติสนใจเพิ่มขึ้นเท่านั้นจึงแข็งใจเดินขึ้นจากน้าตรงเข้ามาที่กองเสื้อผ้า หยิบสวมใส่โดยหันหลังให้ไม่ต้องสงสัยว่าสายตาของมาเรียจะไม่สำรวจไปตลอดทั้งร่างของหล่อนจากทางเบื้องหลังนั้นไซส์ของเธอเท่าไหร่นี่น้อยก็เห็นอยู่แล้วอะทำไมไม่ทายอะสามสิบหกยี่สิบสองสามสิบหกใช่ไหมผิดสามสิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบสามครึ่งแล้วก็สามสิบหกจ้ะ เธอล่ะก็ทำไมไม่ทายมั่งล่ะดารินสะบัดน้ำออกจากผมหันหน้ากลับมาประเชิญขณะที่กลัดดุมเสือ้อมารีนนั่งกอดเข่าอยู่บนโขดหินด้านบนสามสิบปดยี่สิบห้าสามุเจ็ดมารียกระโดดลงมายืนเคียงข้างโอบไหลไว้ยิ้มให้มไม่ผิดสักระเบียดเดียวโอ้โหยังกระช่างเสื้อที่เคยวัดตัวฉันมาก่อนเงั้แหละน้อย ทำไมเธอถึงกะได้อย่างแม่นยำอย่างเงี้ยอ้าวก็ฉันเป็นหมอนี่แล้วก็เป็นนักมานุษยวิทยาอีกด้วยแต่นั่นมันคงไม่สําคัญถ้ากระสามันวินิจฉัยหรอกป่ะกลับขึ้นไปบนแคมป์กันเถอะมานานแล้วเดี๋ยวพวกเขาจะเป็นห่วงดีอยู่สิตอนที่เธออาบน้ําอยู่ฉันเห็นปลาตัวโตผุดฮุบอยู่ใต้ต้นไม้ริมฝั่งนั่นมาช่วยกันจับปลาดีกว่าจะได้เอาเป็นอาหารเย็นนี้ เจอหารประเภทเนื้อมาตลอดเวลาละ่ะเบื่อเต็มทีพร้อมกับพูดแหม่มสาวกว่าสายตาเป็นประกายลงไปยังทานน้ำที่ไหลผ่านแง่หินอยู่ริกกบางแห่งตื้นและบางแห่งก็ลึกดารินหันขวับไปจ้องหน้าอย่างสงสัยอุทานออกมาจับปลาจะจับเป็นยังไงก็เราไม่มีเครื่องมือโถเรื่องเล็กตามมาทางนี้น้อ าเรียบพูดโดยเร็วเฉยไรเฟินประจำตัวฉุดข้อมูดารินกระโดดไปตามก้อนหินที่งอกอยู่ริมริมน้ำตรงเข้าไปด้อมสำรวจตรใต้รากไสอันร่มครึม้มอันเป็นตำแหน่งนานนิ่งและลึกกว่าที่อื่นๆแล้วชี้มือบอกให้ดารินไปคอยดักอยู่ทางปลายนะ้ำไม่ห่างออกไปนะักตรงนั้นเป็นบริเวณกรวดทรายตื้นขข้นก่อนที่น้าจะมาถึงสันบริเวณอันเป็นขอบแล้วไหลลงไปเบื้องล่างที่ต่าลงไป รากันน้ำตกเล็กๆราจะสกุลสาวทาหน้าจะงงไม่เข้าใจว่าทารอนมาคอยอยู่ยังตําแหน่งนี้ตามโบรารของมาเรียและจะจับปลาได้ยังไงพอมันลอยตามน้ำไปที่เธอละถ้าคอยวิทมันขึ้นมาบนฝั่งเร็วๆนะมาเรียร้องเตือนมาอีกครั้งและเชือสายพรานของมาเรียก็สําแดงออกมาให้ดาริมเห็นชัดในบัตรนั้นเหม่สาวห่ปากกระบอกไรเฟิลจุดสามเจ็ดห้ แย่ลงไปใกล้ผิวน้ำเหนียวไกลตูมกำลังอัดของกระสุนที่ระเบิดผ่านลำกล้องแวกน้ำออกไปทําให้น้ำตรงบริเวณ น, นั้นแตกเป็นพายสะเทือนกระชอกโดยแรงลักษณะของมันก็คือระเบิดใต้น้ำไกลๆนั่นเองอึใจใหญ่ๆต่อมาปลาลำทานตัวเขื่อนขนาดเกือบเท่าหน้าแข้งสองสามตัวก็ปรากฏพลิกท้องขาวลอยฟ้อง ดินกระแดวกระแดวลอยตามกระแสน้ําพัดตรงมายังบริเวณที่ดารินยืนดักอยู่นักมนุษย์วิทยาสาวร้องร่นออกมาอย่างดีใจเสียงมาเรียตะโกนบอกมาดยเร็วพร้อมกบวิ่งอ้อมตะลิ่งตรงเข้ามาหลังจึงเอามือทั้งสองกรอบวิดปลาที่กําลังลอยหงายทอมผ ง, งาดอยู่นั้นขึ้นไปนอนอยู่บนฝั่งมาเรียโจมท่องน้ําลงมาช่วยอีกคนอย่างแคล่วคล่องว่องไว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 หัวหน้าคณะร้องถามมาดารินหัวร้อเสียงใสบุยปากไปทางมาเรียก็เมน่ะสิคะแม้เข้าใจเหลือเกินนี่ไม่เสียอะไรเป็นลูกสาวพรานใหญ่เขามีมนเรียกปลาได้เหมือนพระสังเชละมนเรียกปลาละ่ะเอไะเป็นไงชายาขมวดคิว้วทำหน้างงพอดารินอธิบายให้ทราบทั้งสองก็หันไปดูไปมองดูมาเรียอย่างทึ่งทึงอดที่จะนึกชมซะไม่ได้ ไม่มีอะไรจะต้องห่วงกังวลอีกแล้วสำหรับแม่มสาวผู้นี้หล่อนคล่องแคล้วและชำนาญในการดำรงชีพอยู่ในป่าพอตัวทีเดียวแทบจะเรียกได้ว่าเป็นครานตัวเองด้วยตัวเองคนหนึ่งตกบายเชียดฐานนั่งสู่กล้องพักผ่อนสนทนาอยู่กับช ย, ยันบนก้อนหินใต้เงาไม้มาริอาฮอฟมันก็ถือกันไกลตรงไปที่ราชสกุลใหญ่ พี่ใหญ่คะหล่อนเอ่อยเรียกเขาเป็นภาษาไทยด้วยลิ้นที่ชัดพอสมควรทำเอเชิฐาลืมนตาโตด้วยความประหลาดใจหันไปจ้องหน้าก็เห็นแมมสาวจ้องมาที่เขาด้วยในตาใสาส่งกันไกลที่ถืออยู่ในมือให้กรุณาตัดผมให้ชั้นด้วยให้เหมือนกับของน้อยนะคะประโยคหลังหล่อนกล่าวเป็นภาษาอังกฤษเชิถายิมงง ง, งในขณะที่ชายยันหัวเราชอบใจถามมาว่า เห็นฉันน้อยกระมังที่สอนให้คุณเรียกคําว่าพี่ใหญ่อะ่ะมาเรียพยักหน้าใช่แล้วหล่อนก็มองไปทางเชิฐถาดางเกียรติไหมคะถ้าฉันจะเรียกท่านอย่างที่น้อยเรียกเชิฐาเลิกคิว้วหัวเราะกลางวานันดีเหมือนกันผมจะได้มีน้องสาวเพิ่มขึ้นอีกคนแต่บอกก่อนนะเม่พี่ชายคนนี้น่ะดุหน่อยหวังว่าน้อยคงจะบอกให้คุณรู้แล้วที่ไหนได้คะ ฉันเห็นว่าพี่ใหญ่น่ะใจดีน่ารักที่สุดหล่อนว่าแล้วซุดตัวลงนั่งบนก้อนหินที่ต่ำลงไปตรงหน้าพลางสบัดผมยาอย่างยาวสยายไปพาดอยู่กับตักของเขาร้องเตือนมาเบาๆหัวหน้าคณะหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเอเมผมก็ไม่ใช่ช่างตัดผมซะด้วยนะพลาดพลางยังไงไปแล้วก็แย่เชียวผมของพิ ผมของน้อยนะพี่ใหญ่ยังตัดให้สวยนี่คะโปรดตัดให้ฉันมั่งฉันรำคาญเต็มทีแล้วล่ะคะ่ะมันจะสวยหรือไม่สวยก็ช่างมันขอให้สั้นๆเท่านั้นไม่ป่าเช่นนี้น่นนนะผมยาวไม่สะดวกเลยอะตกลงถ้ายังไงแล้วก็อย่าร้องไห้กันแล้วกันเออไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผมสีทายอันยาวสยายของมาเรียก็ถูกหันลงจนกลายเป็นทรงเดียวกันดาริน รับกับใบหน้าอันคมเข้มนั้นจนชายยันจ้องตาค้างเขาเพิ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดๆเดี๋ยวนี้เองว่ามารีอาฮอฟมันนอกจากจะมีเรือนร่างอันบาดอารมณ์แล้วรูปทรงใบหน้าของหล่อนยังงามในแบบผาดโผนเร่าร้อนยิ่งผมสัน้นรับกับใบหน้าของหล่อนมากกว่าผมอันยาวสยายเปะตปะนั้นดูหลอนจะพออกพอใจเป็นอย่างยิ่งภายหลังจาก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 มีอะไรเหรอบุญคบเขาถามแผ่วต่ำจ้องหน้าตาพรานเท่าคู่ใจอย่างแปลกใจมันพลาดจะไม่ได้การใช่แล้วละครนายแต่กระซิบเบาที่สุดเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังหลอกแหละที่แขนก้านเกรียมของแกมีคนลุกสู้สู้เป็นระยะระยะก็เองแงาทรายสิครับมันทำเหตุซะแล้วเมื่อตอนสายมันลองปืน ต้นไม้ใหญ่ในปา่านับพันนับหมื่นมันไม่ลองซื้อยิงเข้าไปที่ต้นตะเคียนโดดบุญคําก็ว่าจะห้ามไว้แล้วตอนนั้นแต่ห้ามมันไม่ทันพ่านใหญ่ขมวดคิ้วแงงนขึ้นไปมองยังตะเคียนทองต้นใหญ่ที่ยืนทำงานสูงเด่นเหนือกว่าไม้อื่นๆในละแวกใกล้เขียนอยู่ฝั่งห้วยตรงข้ามอันเป็นต้นที่แง่า ย, ายลองทางปืนเมื่อตอนสายของวันนี้ ขณะนี้แดดในยามเย็นซาจับลำต้นแลดูแดงดำเราก็อาบไว้ด้วยไฟสีเสียงไก่ปลาขันเย็นเยือกสั่งพิวาการดังแววมาจากลงทึบเบื้องหลังแล้วเขาก็หันกลับมาจ้องหน้าบุญคำยิ้มให้เล็กน้อยต้นตะเคียนก็ต้นตะเคียนนะสิแล้วมันจะเป็นยังไงบุญคำนึกแล้วบอกไปไหนก็คงไม่เชื่อบุญคำหรอก คื น, นี่นะไม่มีอะไรก็อะไรเขาสักอย่างที่ทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนกันแน่บุญคําพูดเสียงสะท้านท่าทางแกตะหนกตกใจเอาจริงๆซึ่งเขาก็ไม่เคยเห็นตาพรานเข่าเป็นเช่นนี้มาก่อนทำไมนะขึ้นชื่อว่าต้นตะเคียนจะแตกต้องอะไรไม่ได้เลยทีเดียวเหรอบุญคําก็เคยเห็นแล้วนี่ว่าจังโค้นมาสนักตอ น, นักเขาพูดปนหัวเราะอย่างปลอบใจตก บ, บ่าแกเบา นี่อย่าตื่นหรือถือโชคถือลางเหลวไหลไปหน่อยเลยนะบุญคํานั่นมันอย่างหนึ่งครับนายไอตะเคียเล็กนะไม่เป็นไรหรอกแต่นี่มันพยายามไล้ทีเดียวนะครับอายุนับเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็ขึ้นอยู่โดดเดียวกลางป่าลึกอย่างนี้รวพินคงหัวรอบเบาๆอยู่เช่นนั้นมองดูอาการอัน ง, งันงกของบุญคาอย่างสมเพทพยักหนะ้าเอาละ่ะเอาละ่ะ๋จะทายังไงดีอ่ะ เราก็ไม่ได้เจตานานี่อย่าไปสนใจคิดอะไรอยู่เลยต้นไม้ก็อยู่ส่วนต้นไม้เราก็อยู่ส่วนเราง้อแต่คิดอยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องอยางเท้าเดินไปไหนว่าจะเหยียบหัวผีหรือเทวดาองค์ใดเข้านายนายรู้หรือเปล่าว่าเมื่อกี้บุญคำไปไหนมาเออก็กาลังจะถามอยู่เหมือนกันเพราะเรียกหาก็ไม่เห็นตัวเพิ่งจะโผล่มานี่แหละ บุญคำไปนั่งถ่ายทุกขอยู่หลังพุ่มไม้ฟากโน้นน่ะนายก็ชี้มือบอกปากคอสัน่นเสียงที่พูดผ่านลําคอออกมาอย่างยากเย็นก็กําลังนั่งสับปะงกเพลินๆน่ะได้ยินเสียงผู้หญิงมาร้องซิกซิกอยู่หลังพุ่มไม้ที่นั่งอยู่ที่แรกนึกว่าเผลอหลับฝันไปนั่งกั้นใจฟังอยู่เป็นนานมันก็ดังอยู่อย่างนั้นแหละบุญคำรีบลุกขึ้นออกเดินตามย่องตามไปจนถึงพุ่มนี้ มันก็ไปดังอยู่พุ่มโ น, น้นพอตามไปถึงพุ่มโนนมันก็ไปดังอยู่พุ่มโนนต่อๆไปเรื่อยนึกในใจว่าผีไพร์มาลองดีก็จะหวดมันซักตั้งเดินตามไปตามไปก็เลยไปถึงต้นตะเคียนต้นนั้นคราวนี้โน้นมันกรีดลงมาจากยอดแน่นายเสียงบุญคําขาดหายไปผมเปรียนบนศรีรษะของแกดูท่าว่าจะตั้งชันขึ้นจ้องหน้าเขามองเห็นแต่ตาเขา รับพินโครงสีษะช้าชาจุ ป, ปะนี่เมื่อก่อนเที่ยงนี่เห็นแอบสูบกัญชากระสางปาเมากัญชาซะแล้วเลยบุญคำโถ่นายให้บุญคํารากเลือดลงแดงสิเอา้าบุญคําได้ยินจริงๆ น, น, น, น, นะนายใช่ได้ยินคนเดียวฝันมาคนเดียวและคืนนี้ถ่านางตะเคียนต้นนั้นจะเล่นงานก็คงเล่นงานคนเมากัญชาคนเดียวเหมือนกันแหละสั่งไ่้หลายครั้งแล้วนะว่าไม่ให้สูบ นี่เล่นทั้งกระท่อมทั้งกัญชานี่ว่าบุญคำยืนอึ้งแล้วพินไม่สนใจอะไรอีกด้วยขยับจะเดินไปแต่แล้วเขาก็ชะงักอีกครั้งตาพรานเท่าจับแขนไว้แน่นพูดเสียงหนักๆม า, มานายไปกับบุญคำเดี๋ยวนี้บุญคำใจดูอะไระแล้วอะไรอีกล่ะเหนหน้าเอาไว้นายไปเห็นกับตาตัวเองกันแล้วกันอย่าเพิ่งให้บุญคาบอกเลย ว่าแล้วแกก็ฉุดมือเขาพาลุยข้ามลำธารเดินตัดเนินเขาฟาตรงข้ามเลาะลัดพุ่มไม้ที่ขึ้นอยู่โปรง่ปรงๆบริเวณนั้นตรงไปยังต้นตะเคียนต้นนั้นพอมาถึงโคนไม้ใหญ่ก็ฉีมือขึ้นไปยังลำต้นตรงตำแหน่งที่แงาซายยิงไว้ด้วยกระสุนจุด460เวเ t อ e r b y m ั g um. ดูนะั่นนายบอกเฉยๆเดี๋ยวจะหาวุาบุญคาตาฝาไปอีก จอมพลานเงนขึ้นจ้องสํารวจตามที่บุญคําชี้บอกแล้วเขาก็ตะลึงตัวเย็นเฉียดไปชั่วขณะ